ในขณะที่ผมติดสอบแล้วก็คือนั่นเองผมก็ถูกผีหลอกด้วยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็เดินดูความเรียบร้อยรอบๆ บ, บ้านก็มีหมา3ตัวนะเป็นหมาไทยคอยติดตามเป็นบอดี้การ์ดค่ะมีสมบัมีคุณสมบัติคือเห่าเก่งแล้วก็ดุที่ประจบนี่เป็นที่1เลยมีหมาแบบนี้ก็สบายใจไปอย่างคือถ้าใครแย้มเข้ามาในบ้านเนี่ยหรือแค่ด้อๆมๆมองๆที่ประตู3ตัวนี่ก็กเหา่าแบบกระโดดเห่ากันโชคแบบขวัญบินไปแล้วเรียบร้อยนะคะ